อนาปฏิวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ757 1. ภิกษพิุีสั่งให้ซื้อของนั้นเพิ่มและสั่งให้ซื้อของคู่อย่างอื่น 2. ภพิกษุีแสดงอานิสงส์แล้วสั่งให้ซื้อ 3. ภพิกษุีวิกลจริต 4. ภพิกษุีต้นบัญญัติสิคาบทที่5จบ